ก็อุ้งใจที่เอารวครับตามมาเท่าไหร่เอโอยไม่อยู่แล้วไปไหนไม่รู้นะที่ไหนสบายเนาะไปนะ้ในป่าแล้วเนาะไม่ใช่ที่ไหนสบายหรอกในป่าในเขาเนี่ยอื่นไม่ไปแต่าเลยจิตใจนี่เคยถูกสนใจเัาถึงยิ้มมองเห็ภูเขายู่ในใจมเพอเราเคยได้ดิฟเวรีเลยความสบายนะ โูเขาป่าไม้เราให้รบความสบายเพาะเาเปการกุตรหา แต่ข้อปฏิบัติมันเลี้ยนไหลไหลคิดตาวนาเม่เหลวชิมแล้วนมันเหลวได้หรืนี่หลักมือกับใจเพราะฉะนั้นมีหลักใจมีหลักใจมีหลรองหลักปฏิบัติทังนี้เอสม่าเสมอคงเส้นคงวาอย่าอะไรมาลดมัดดรอปอารเป็นการในสมัยที่ก่อนจะลดผันเป็นลงไปโดยธรรมทีลเน่ย ก็รู้รอยู่ว่าเป็นการเนกไหมที่จะลดดสัมพันธ์มันรู้แล้วนะลดลงไปพระหมดภาพดีพุกเนี่ยหหลักธรรมหลักใจต้องเป็นสาคัญเป็นสำคัญของหลักปฏิบัติมีข้นใจปฏิบัติจริงมันไม่มีอะไรในเรื่องอะไรนี่พอจอเนี่ยหลดดี เท่าเขามากแล้วนเาบอกเรื euh ่องไปแล้วคิดแต่ตอนนี้ไมคุยกันเอคือมพักกันตอนไหนนะตอนกลางนั้นกวางก็ปวดเสียแล้เขาบอกว่ามขอแชร์เป็นไงแจะให้ยังเท่าเาจ้ตายกันหรืแม่ว่เฮ้ยขอแชหรือจากพุทธมาบอกอแกแช่์แกร์ามมาพูดกันมาเรืยๆเด้๋ยวเฉลี่ยแล้วไปจะไปตรงไหนไ่รู้อันนี้จะมูแช่์แบ พุทรรมเาว่าล้นราเหน้าตังเลยเรา เ, นนาเจากนัก้นเราเนแน่ใจวิธีการนมวงพ่ตันเป็ไงคุนสุดใจเคยได้พูดธมากันไหม <c oughs> พูดกับผมข่าวศพด่านพรที่บ้านของหลวงนี่นาฟังะถ้าไม่เสือจะดีขึ้นเดนดอแต่อยู่กับหลวงพ่อตันเป็นไงพูดธทอดทเคเล่าอะไรๆฟังหมเคยแล้วเป็นไง ในหลักใจานเ้าที่แสดงมาเป็นยงหมอฮะที่ระดับที่รับไทยมาจากความมาอุปาแล้วหรอท่เืองคามใจอกไปที่ระดบเขาบอกว่าปฏนี่ไงฮะบอกปฏิคันบอกแม่ของบอแม่ขอแม่นหมดถึงแสดงว่าหลักใจมีเป็นอย่างดีใช่ไหม ผมทำตะ น, นุ่นมะมาหาที่ทาาททนี่หูหนวกมาครผมข่าวที่แล้วนิหูหนวกผมพูดแล้งไม่ได้นี่ผมก็เป็นโรคอันนี้ครับหมอก็ใจหนวกเรากันพูดแร้งก็นไม่ได้ครับถ้าพูมาพูแรแ่้งภูเทามัไม่ดีนี่เนี่ยที่มันขัดกันตรงนี้เอ้ยไม่ได้เดือผมไม่พูดได้พูดตอนแถวหู ด, ด, ด, ดีหนันกังต น, นุนนะนี่ผมบวชให้น้าง ก็ตันเคยเล่าให้ฉันฟังไหมเมเมื่ออยู่เมื่อยช้าด้วยกันผมบวชให้อยู่กับผมไนี่ันทันยังไงผมก็เลยออกมาตรงนี้แล้วก็หนีลงไปทำมันสกันวุฒิข้าวองม่สายไปง่ายมากไงกับเวรพระของเราธุรกิจเราวุฒิข้าปฏิบัติดีพูดเรื่องิใจกลางปีไทยพระศพ่านอาจารยทอนหน้าฟังอางิถึงจับไว้ อืมตรงนี้น่คือผู้ขฏิบัท่านท่านแตงองค์นหนึ่งที่ยอมพุทวานอนก็น่าฟังนะตั้งแต่สมัยอยู่กับท่านจนมนนนั่น้วยกันทานี่มีมีิสจิตแปลกๆอยู่นะรูนั่นุมด้วยหลังากนั้นมาก็ม ไ, กไม่ได้พกกันไม่ได้คุยแต่จิตที่กล่าวว่าเหล่านี้มันเป็นจิตที่จเจริญไม่เฉลีได้อยรนั่ น, น นท่านพวงที่หน้าเจ้านาเหลือเกินนะเสี ย, ยอะไรหมดเลยท่านพวงที่พระชุตฺธอนอจำมันสามาอยู่ด้วยกันรุกจำมันสาด้วยกั น, นพบว่าสงไ์สแต่ว่าตอนนั้นอยู่ร่วงคือด้วยกันไม่สาารหน้าแหางหน้าฝนกังวลไม่ได้กังวดได้ตั้งแต่ว่าเวลาจะไปพูดธรรมะให้พ่อแม่ฟูใจต่อฟังผมนั่งฟังด้วย น่าฟังอยู่แล้วก็จากพอหลังจากนั้นพอพ่อแ ม, มอหุจันมหน้าพตอนแรกจะเข้าไปอยู่ข่านาวเวียงกนก็ไม่ถึงสองปีมั้งก็ได้ทราบมาบอกบอกัตรบอกเบอร์ข้ออะไรไปแล้วอ่าทาไมสุขเผีเยแบบนี้เห็นทันตอนนั้นเราไปไปเป็นภาษามาลำมาลอยเข้บาบ้านพระจังไม่ได้หลักอะไรจริอยัง่ลอย่ปแลกาอยู่จะทุกขรจัน้กุนากามไปดูเป็น เราจะสุธารเป็นยังงบุญเ้ยไอยูย่นั่นเราเป็นเจ้าคนนั่นงานอืนไเป็นกคู่กักคันพัคู่พักขี้เลยเรีย น, นี้เป็นพัคู่กันเลย น, นี่นี่อย่นเสพูดหน้าฟา แ, และจิตท่านมีมีเครื่องมือด้วยนะจิตทาาา่านี้ะเบรูปแบบต่างๆเหมือนกัน ท่ น, น ถ, ถ้าว่าหลักบใจท่านดีเนี่ความรู้นี่จะเป็นเครื่องมือายนอกได้ดรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ดีอะไรประการแตรู้อะไรไม่รู้อะไรประการแต่คอยรู้จิตตัวเองเถอะอันนี้เป็นหลักใหญ่มากถึงที่ที่มันไม่รู้ไม่ผ่านเ้วอย่าไปสนใจมันนะ นี่เราพูดตามนิสัยของแต่ละคนแต่ละรายที่เป็นไปเฉ็จที่ว่ามีความรู้เปลี่ยนอย่านันเป็นไปตามนิสัยอันนั้นไม่ได้เรียนเย็นมากเรียนน้อยไม่สําคัญสําคัญที่นิสัยพอจิตเริ่มเป็นความสงบเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะมาอีกมันเป็นไปตามานิสัยแล้วมันจะรู้สิ่งแล้วสิ่งนี้จะมาคือมันถัดออกลุ่มมันนั่นแหละที่จริงไดศึกษาไมศึกษาไม่ได้ถูก ก็ทางไม่เคยเดินจิตไม่เคยรู้สำคัญผิดนพืไปได้มีคูบาาจาร์พูดเคยอย่างนี้นะได้ผลดีตัวอย่างวุฒาแม่แก้ว่ว่าไ ง, างนั่นคิดผ่าผมผ่าผมดูมากนะผมไม่เคยเล่ า, งงนะานนให้ฟังเงยผมเอาถึงน้องห้ถึงไม่ยอมพิจารณากรมเราสอนครั้งที่1นครั้งที่2ยังไม่ลงนะเพราะติด กูเมือนนั่งกสู้ท่านอาจารย์มั่นมันติดสู้ท่านจันย์มั่อยังไงดีที่ดูสิสู้ขู่มันมีหลักฐานมันพอสู้นะเดี๋ยวว่าอยนี้มันจะสู้เฉยโดยที่สีมณานา้นมันมีความจิงอะไรอนึ่งตัวอย่นั้นเนาะพอดูสู้ผู้ท่อสู้ของมู่เหมือนกันนี่แหละบอกทีแรกพยายามไม่ได้ อาที่สองอีกขยับเข้าอีกยังไม่ได้เอาที่สามอีกเอาเขานี่งมีเข้มข้นเกินไปแบบที่ว่าค้านไม่ได้ราคาหนึ่งนะอ่ะยังไม่ได้ไม่ได้แต่ไล่ลงภูกเขาที่ผมจํารรษาที่ภูเขาเมื่อวานไปกันบ่ายสี่โมงแลวไปเอาพักที่ทุกวันนี้แหะขึ้นไปเพราะผมขึ้นไปจาํารรษาสะดวกสบากคำเดินหนึ่งเท่า น, น, นั้นนะ แต่ตอนนั้นแล้วอยู่คนเดียวผมประมาณประมาณอาเจือนเขากำลังสาไปาอย่มันมีมหากรุบานเนี่ยนะมันอย่ด้วยอุ ม, มายฝั่งรงเล่ยลงไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ลงด้วยนี่เชื่อดไดยนัต้กงเอากันอย่างหนันหกมีข่าว่าผิลงอย่างนั้นไม่ได้จะไม่ยอมทำให้เป็นอย่างนั้นตามที่สอนนี่ไม่ยอมทำตามที่สอนนี่ยาขึ้นมาเป็นขนัน สถานที่ไม่มีนักกาดมีแต่คนโง่เอาไว้เปนดัองให้โยมไปคิด น, นังไฟาดลงไปเลยที่จังไงคนยกว้สีวันเหนื่อยโก็บีมาอะไรเอาทำท่าสุ่ยอ้าพูดในคำ ท, ที่มายอมผม ง, งา่ายเพราะมันเป็นที่หนูโว้ที่นีอัศจรรย์มาที่ดีมายอมโทษกับของนั่นละสิป ว, วดดีอยูไ่ได้เหรอะว่างไม่ไหรอ ดังนั้นเนี่ยเราติดติดขนาน่ะนี่ถ้าถ้าไม่จะเป็นพวกยาคอลลาเจ่ือใจมันก็จะไม่ลงนะอย่างไรว่าเมว่าไม่ให้ขึ้นมาจะไม่ขึ้นถ้าาว่าไม่ยาคอาเถือเต็มที่นี่ยาคอลลาเจเต็นที่ด้นาะั้นเวลาเอาหนักหนักมันเดอะแล้คร้องไห้แล้วลงไปที่ต้นทการพิจารณาอย่าง่ามันก็เป็นขึ้นมาอีกจากนั้นมาที่เราก็สอนเนี่ยเรื่องมันติดมันขึ้นอยู่กับใครวะ ติเป็นได้ผมโต้กัแมอ่อุบาจรย์ขามันมันเป็นเี่เวลาปฏิบัติต่อมันนั้นทีนนนนนน่ต่อสิ่งที่เป็นนี้ที่มันไม่ถูกไม่เข้าใจทำไมพราเราไม่เคยรู้ไปเห็นม่เเข้าใจได้อย่างไง ท่านต้องคิดแล้วให้ทราบให้เข้าใจได้เป็นที่แน่นอนนั่นนะท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วนี่พูดได้นี่อย่างพ่อแม่พริการผ่า น, าานแล้วจะมีข้ามทองเราจ ะ, ะก่อไก่ก่อการระอวด่านเลนเรียนหมดนี่ประการทั้งปวงเรา ที่เขาชุคันมาเ่าผมฟางขางผมไม่ดีผมก็เห็นแหละอนนั่นก่อ น, นี้มีค่ายก็ตอนนั้นถึงพูดถึงว่าเป็นหลักได้ในการต่อไารนี้ก็เลหลักภายในใจหลักข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติก่อจากหลักใจที่พูดที่เกี่ยวข้งของกับประชาชนบ้างพอที่ เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่ท่านเองเพราะหลักปฏิบัติและหลักความรู้ก็ ม, มี้อย่างที่ว่าท่านสว่าก็ดแบบีทั้งทองท่านแบ่งผู้ที่เกี่ยวกับสังคมได้สะดวกสบายพระ้นนี่ผมเกี่ยวกับงคมได้เมื่อเกี่ยวนนกับสังคมหน้ก็สอนคนได้ คือความรู้ทางด้านอีบัตรจีิงรู้่พอเจ้าของไม่เกี่ยวใครสอนใครไม่สนใจสอนใครรมูมอาจจะสอนคนได้เพราะความรู้มันจะพร้ใช่ไมมันก็มีแค่ยงทามีให้จะสอนใครคมันจะเพ่ไม่เล่นกับใครอย่างนี้มัามาไม่เกี่ยวกับสังคมมันก็จะไปทำประโยชน์ที่ไหนแต่คนมันทั ทางประยัติก็ดีเรียงคือเป็นเครื่องขนับสนุนถ้าเวลาเราตดำเนินทางปัญญาประยัติก็เป็นแง่นสองดีได้ดีคือมันวิ่งประสานประยัติโโหมันไม่ผิดนิดหนึ่งถ้าฉันมันฉันปูดไว้แล้วน่ะโอะเพูดถูกต้องผมปหานคืนแล้วที่ฉันว่า ม, มหาประยด็นมามาก พอต้องควรจนผงเป็นมหาวุา่นวายผมไม่รู้เลยแต่ว่าท่านเลยว่าผมประหมาวุ่นวายมักที่ท่านเรียนมามากน้อยขอท่านก็บุเาไว้ก่อนยาด่วนนามาสลใจมันมันมาทาให้วุ่นวายหาความสงบไม่ได้ให้เล่นและทำจิตใจไม่ดยเพอะมันกํางดคิดถึงเยินระยะที่เรียนม า, นนามากน้อยมาไม่ยืน ให้เรงทห้จิตให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ถ้าจะประหยัดประโยชนเมื่อถึงการที่วายร้ายจะเป็นประโยชน์และจะเป็นเองมันจะวิ่งประสานกันตลอดเลายนั่นหลักตอนนั้นนันจะเป็นที่อนนี้ไม่เกิดต้องแต่ข้อความข้อมูล่จะถ่ายโดยใ้่เดียหาความู้แ่ครความเป็นอย่าไเกี่ยวขอ้องางลางนี่ ถึงเวลาอายะจะเป็นประโยนมันปิดไม่อยู่นีหาั้จะวิ่งประสานกันหมดเพราะมันเป็นจริงบางทีมันจะติดการพิจารณาจิมันวิ่งหาอายะทำจุดจังคำพีให้วามัปรากฏผลยิ่งนังอีกครคนความแน่ใอ้าวมน่ะหาอะไรมา หาประโยชมายิงอยางนีมาเป็นหลักฐานถ้าทิ้งแน่นานมันมันจะมันต้องเอาไปยาด้มาเป็นหลักฐานเพราะว่าเป็นสัมคลายธรรมมือทั้งทั้งเวลาติดมันก็วิ่งเวลามันรู้มันก็วิ่งหาอะไรมาเป็นหลักฐานประยชงเวลามันติดมันก็หาปยานมาเป็นเครื่องมือบวกบวกบวกขังมันนี่ พยายามประยัดความเรี่ยงวลาเราช้เกี่ยวข้องกับสารหรือการแต่งหนังสือมันก็เปี่ยว้อหนังสือถ้าเรีพยายาประยัดในหนังสือแต่ภาษามันก็ไม่แกสาที่จะนำไปสูโลกคำยังมโบราณอะไรที่เหมาะสมกับสังคมนิยมกันยังไงหรือไม่มันก็ไม่เข้าใจถ้ามีก่อหรือใบหนังือ ก่อนนีทำันดีแต่เวลาจะนำมาใช้เราบอกเขาเลยมันไม้กินไม่กินดเันอีกเวาเรื่องนีมันเป็นเครื่องมือช่วยย่านทางเป็นวัฒนธรนมที่จะทาให้เหมาะสมกับทั้งคมทห้งงาน การเขียนผีก็ต้องเขียนให้ถูกถช้ตําแหนงให้เหมาะมันเกิดต้องยากอันนี้ส่วนเนื้อหานั้นเป็นเรื่องปฏิบัติคํานวณที่เข้าไปแทรกที่เข้าไปเกี่ยวข้องของเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้นมาให้เหมาะสมกับสังขมนั้นเป็นบริยะาแม้ตัวหนังสูอที่เขียนก็เป็นปริญญา กองม่ให้ผิดขระกฎการนั่งผิวมีความหมายเช่นพระธรรมพระธรรมธรรมนี้เป็นทอทอคอโถงรอราหมอกเชนพระธรรมธรรมคนให้เนี่ยเป็นคนดีธรรมคนคนดีตรงนี้เป็นทอเราะเงินหนักธรรมเหมือนกันไม่ต้องเหมือนกันความหายต่า ถ้าทำคำคนให้ดีอย่างนี้เป็นก้องอผู้ผู้ไม่เข้าใจเหนังสือมีจุดฝันคำสองคำงานัานนี่หสอกข้างไปผมก็เห็นในผมเองเวลาเกี่ยวกับ้างของโลกเป็นแต่หนังสือถ้าเราไม่เรียนความประราชาดไวยาทั้ความหมายเกี่ยวัเรื่องอาคาบาลีที่เป็นคำวนประชนในภาษาไทยนั่น ออกจากปาลีเยอะนะนั่นเรื่องเวลาเรียนภาษาปาลีเนาะมันก็เข้าใจรีวิลีู้เพียงเรียนจังภาษาไทยล้วนไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยที่สู้เราไม่ได้ว่ามันก็ได้เรากล้าพูดได้ภาษาไทยล้วนเป็นมันมีโอ้ยภาษาทเรา่นี้มันมีหลายภาษาเข้ามาแทรกเลยนะมีคำเหมนมันมีฉันสกฤตเมียบบาลีก็มีเกี่อ เียวกับเองออกกับบาลีจริงๆออกมีจริีก็มีจะแยกวกจเป็นชั้นสัดส่วนก็มีภาษาคำหุนก็มีแกลงนานาคนว่างภาษาหลายภาษามาสมกันปะเไทยีุงถือหน่ยคัญก็คือ อก็เปลี่ยนให้ผมมีประธานอุปกรมผมไม่สนใจดูิ้งนะรานอุปรมเหือน้องใส่่ดผมไมู่มีก็เมือนไมมีประธานอุปรมนี่ไมดูเมีายเร่งสาไปว้ที่ไหนบ้างแล้วกายุเดิมเรานี่ยนะ จะเขียนผงไม่ดีแต่ทุกวันมันค่งยาวยกันก็ปากการมันก็ไม่ได้ถูกเลยอ่ะอืมเห็นไหมข้าวคงเพลดี้มันไม่งู้อย่ามันจะแบดียี่หมด กูว e ่าาบอกาชืนนหลนเก่งรรงนนควรจะได้มีูเ <itals> ป <Middle> ็นหลักเ่าถ่ายทอดถ้ายทอดได้ด้าปัได้างใจงอมีหลักใจก็ี้เยอะอยื้อย่างทังเนที่รรก็อย่างนี้ไม่มาวัดเราไม่เห็นมา เพราะการเราคิดไหผมคิดนะกลัวนั่นองนนี้หวกลัวเขาไปมากยิ่งให้เห็นเด็งคุณน้อยขอเนี่ก็เป็นพวนี้งนะององค์นี่เป็นวัทำามจึงไม่มาเหนียวันนีพะอนะดุกกะด่าเลย ทำไมถึงกลัวนักมันคือความหมายในตัวเอตัวเป็นยังไงถึงกลัวนักมันบอกว่าตัวป็นเป็นขันขนนนนนน้นเป็ น, นะนขั้นเป็นระนดับแต่ไม้เป็นกบเป็นหล่าไม่ใช่ไหมมีขนาดจานเต็มขนาดจานขนากินของดูตัวอยู่ขนากลิ่นมากกว่าขนาดจานขนาดไหนว่าถูกคอ หลอกแต่หลังเป็นทุกวันทุกวันผมนนมีบ้างด้วยแต่ังดีผมอู่านเราผมรับค้าขนาดนั้นรับขาอ่คนอืนน่นไม่กล้าพูดผมกล้าพูดได้เานั้นผมไม่รู้ท่านไม่จกิงใจว่าใครจะเสียใจหรือเขากระเพื่อนใจตะกุดตะเกียบเลยเพราะเราพูดด้วยความกุกก้า เราถือละของความกดดังเป็นทางเดินดีใจเสียใจก็มนดินดตีเกยนอะไรเป็นเรื่องของเขาไม่ใชเรื่องของสิ่งที่เรารักษา mm hmm. ขขเขาไม่ได้มารักษาให้เรานักพระเนรนี้อยู่ในความปกครองอยความมีเลยความรับผิดชอบของเร า, า, ข เ, ราเขาไม่ได้มาทความรับผิดชอบแล้วพระข้าวที่มาอยู่นี้ก็ไม่ได้มาเพื่อเขามาเพื่อเราที่มาเพื่อเราเปาน็นยังไงนั่นเราต้องคิดให้เป็นภูม กา่ลังคนมาซึ่งได้ที้เกิดความสะวกสบราบรุ่งงานแต่ท่านงเราต้องคิดหาและดำเนินด้วยไง้นใครมาทางไม่นขู่ฟ้อเลยมาใหม่านเราบังเกิด้นควรทงาจะไม่เรื่องในาวแล้วเที่ตุ้งท่านหาทําคไม่มาหากิ่ เราพูดให้ใช้ข้อนการค้านค้ า, านอะไรมยิ่งหนักขึ้นไปยอมตียอมเพราะเราพูดมีคนทุกอย่างนเนี่ยเนือเหตุแม่ไหรอือคนเราแพ้ชนะกันก็ต้องเหตุผลพนไม่ใช่วัเสือควายพอจะแพ้กันเมื่อกำลังว่างชาแพ้กันต้องเหุผลถ้าพูดกับผู้ใดเราไม่ได้หวังแพ้หวังชนะแดกโลกอืเราพูดด้วยเหตุผลถ้าว่าเป็นแพ้เป็นชนะก็ต้องในเหตุผลนั้นเป็นที่ยอมรับเลย ด้วยความยินมแยแ้มแจ่ใสนั่นแหละเราถึงได้กัการวฏิบสบายนอกจากจำเปจริงแล้วก็อารมณหก็นหนึ่งทั้งไก่นั่นเป็นธรรมดาแต่อย่างนี้นนาานนผลของเราที่เห็นว่าควรจะปฏิบัติยังไงนี่ค่อยๆมาค่อยพ า, ยาไปถึงที่ 5. มาเล่าหน่อยได้ไหมเอ รอาบในการปฏิบัติวยความสะดวกสบายไม่มีกิจการงานงายุ่งหรือวุ่นวายไปทังานในบ้านอย่างน้อยสามชั่วโมงก็จะได้กลับมาถึงว้นสามชั่วโมงครึ่งและบางงานส่ชั่วโมงผ ม, มตั้งรายการนี้ออกสมมติออกแต่ว่า6 0 0หกโมงก้านจะกลับมาเก้าโมงหรือเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเป็นส่วนมากส่สามชั่วโมงครึ่งวันนัทนั่นนัทนันถ้าปล่อยน่รู้ ว, ว่าเรามีท่าอยู่งเมื่อไรคนนั่งยูบ้านนันคนเอย่นน บ, นนบ้านมัหมดมิตะโกงกินหมด แล้ววัดแตกพี่เพราใจแตกถ้าวัดไม่แตกได้เลยนั่งรักษาหมดเกียวยากกับลงแม่พระมันเกี้องอาชีบ้านทไปเราหน้าที่ของเราเป็นเป็นภาระของเราเราก็ทาเองนอกจากมีคนมาเป็นที่ใหญ่ท่าน่นช่วยจริที่เป็นหน้าที่ของพระอาชีเรายังทางานเราเองแม่พระวันนี้หึงเพือือสอนตักงหยาดต้องโยนต้วงพาบวกกัน้วยกระทืผมไม่เอา อแบบนนนอนผ่านแบบนนหนึ่งตัางหากแค่สอนรวมแบบหนึ่งกาาจนันไห น, นก็รวงกันนไม่ได้มเลยนีเราไม่เอาเขาแม่คูจัก็เป็นอย่างนั้นเรายอมรับทันคือสอนผ่านโยุ่มได้่าพระผู้พร้อมแล้วเราต้องสอนธรรมะขัข้นพร้อมแล้ว โยเขาเปรตปะเรื่องธรรมะลก็เปรตะปะตามเรื่องของเขาเรกขานายด้านหทางเขาทั้งวันเราดุลือกันทั้งลมเราไม่ได้สนใจถ้าว่าเราสนใจเราจะดุต่อไปอยกไม่ได้เราก็ต้องหมอบเขาหมอบให้เขาดีไม่ดีกระเขาที่เรียกขนเยขาเราไปล แล้วไม่กราไม่เลี้ยแค่เนขาแล้วก็ขาพระพุทธเาเนี่ยจะขาสาวกไม่กระไม่เลี้ยมีท่านั้นเด่นในหัวใจแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเหยียบหัวใจของเราทับกดมาอยู่บนหัวใจเรานอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ตายก็ตายได้เลยอันนี้ยอหยอกหมอบร้าตรงนั้นเราเคยกมหัวใจเลยแล้วทําเป็นธรรมชาติที่ใหญ่โตเหนือโลกทั้งสาม ใครนี้ใหญ่คนทําหือม่มีใครใหญ่คนทํดอย่างพระเจ้าบุตีนะถวายมันสร้างบุตรเราพูดได้สทั้งหลายโยดีใจตัวสัน่นดีไปไหนใช่หมเคยมีหรือพระเจ้าบุตีถวายมันสร้างบุตรทั้งหลังบอกว่าจะถวายทั้งหมดสร้างบุตรฟังเมื่อเชี่มา เป็นชิน่วนแล้วให้คนอื่นตามตัดสกนถึมันให้กอกให้ให้เรายึงเหยื่มันไควรยาตรมแล้วหลวงนันก็ให้พระราชศัทมาเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยยังไงช่วยเราทำน่เอาถวายหมดานบอกเลยที่ถวายหมดถวายแล้วเสร็จหมดเลยแลวกทุนเป็นก็ย่อ ไม่อามากเลยพอนหลวงปูนตลาดพระวัดนี้มีความสนใจกับทางด้านกิตภาวนานมากยิ่งกว่าด้านล้วถูกก ว, ว่าเท่านั้นไม่มากทําไม่้านางก็จะถูกสักเข้ามาอีมันก็จะไปปุ๊บทันทีกระทูนี่มันจะแตกกระจายออกเราคิดหมดแล้วผูดคนบางคนก็นนเข้ามาซักมาถามเรื่องวันขนาดพระเจ้าวริมาถาัน มันก็สร้างบกถข้างหลั ง, งท่านปรานทำงานนะครับมันก็ไม่มีในเมืองไทยนี่เป็นปรังนั่นอนมีใครมันเห็นสักทีที่เออน่ะมันมีคนที่ไม่สร้างมแบบันเห็นเราที่ไม่มีมนนีเราบ้างที่วางมีพระหรืบ้าหรือบอ่บางที่อยู่ในโลกนี่ก็จะมีแต่พระดีทั้งหมดเหลือไปเงินเสียพูดจริงจริงแบนั้น อ, อ, น, น, น, อนนี่ก็เป็นเพราะอะไรกันถึงไม่ช่างที่นี่ที่เจริฟังอยู่ ไม่ยอเหมาะเลยนั่นเห็นไรอย่างนั้นเลยนะี่ไม่แล้วเย่เข้ามาให้ก็คลอดมันออกม า, าวบ้านทางไหนขนาดตีโยตีเอาโยกตัวอย่างนของสมมติเราจะสร้างโบสถ์ที่จุดนั้น่นะป่านั้นจะราบหมดเตียนโล่งหมดเลยก่อนที่ป่าจะราบจะเตียนโล่งใครมาทำมํำมาทางถนนแต่งน้องนรุกออกจากวัดนี่ราบเตียนโล่งหมดเลย ป่ารากปหมดใครมาทํานอกจากป่าหมดไปแล้วแนละ้วใครมาทํามันคนมาทํำทำไมคนมาท ำ, าทำอุปถัมภ์โคคมหมายปลาหมดเพื่อหาอะไรที่ถูกต้อเพื่อทำความเปลี่ยนของ้าห้องเรียนได้เป็นอย่างนี้แล้วมาถูกทําลางหมดนอกจากนั้นยังก่อความ อ, อุดเบลอในคามวุ่นวายดีไหมนี่ตั้งมันคลอดตกคลอดตกลงกแล้วท่นั้นประตูนี้ต้องเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืน คนที่จะมาสร้างโบสถนี้ช่างนี่ไม่ใช่คนแถวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วคนงานของช่างทําบสถนี้จะมีสักกี่คนอย่างน้อยต้องสามสิบขึ้นไปมีทั้งหญิงท่านชายมาแตกแม่แตกรูกนี้แต่นี้เหมือนตลาดเดือนเก้าเมืองวาจะออกเวลาไหนอยากไปไหนมาไหนอยากขับลําทําเพลงอย่างไรเวลาจูา่จั่นจุนจั่นเต็มในวัดนี่ดูได้ไมามบอกนั่น พระเนที่เคยอยู่ด้วยความสงอบสบายบำเพ็ญธรรมเรามาเจออย่างนี้แล้งงานนี้ไม่ใช่งานวันหนึ่งวันเดียวด้วยถึงจะมีมันพร้หมบุก็ตามอย่างน้อยาการข้างบสถต้องหนึ่งปีข้างนึงแล้วคนเหล่านี้เขารู้จกักขนบธรรมเนียมข้อวัดปฏิบัติกลับทำยังไงของข้าหมาข้าไม่รู้แล้วเขาไม่รู้วก็จะต้องทําเรื่องตรมความไม่รู้เขาจะกระทบกระเทือ น, นใครถ้าใครก็กระเทือนพระเนในวันนี้อยู่กระเทืนร แตทั้งหมดมันมีแต่เรื่องเสียหายทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเกินกระทั่งบุตรสำเร็จอย่างน้อยหนึ่งปีเท่านี้ทําเมื่อบุตรสำเร็จแล้วพระเนรตายแล้วจากคุณงามความดีทั้งหลายแล้วก็เท่ากับบุตรหลังที่สร้างเป็นโรงผีเลยที่จับพระเนนทั้งเป็นเผาก็ไปนนั้นแล้วเกิดกระโยชน์อายแล้วเคยมีไหมในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าโบุตรหลังหนึ่งนั้นสามารถไปเจี่ยวสั่งสอนประชาชนได้เป็นเงินมากน้อยอย่างไรเขาเกิดกั เรื่องความสงยถึงจิตถึงใจสลับเป็นสลับตายก็ศาสนามีไหมมีบทหลังไนี่เราสั่งสอนพระเน่นให้ได้เป็นเปิดเป็นเจนได้อาจได้ทำเป็นหลักจิตหลักใจหลักความปฏิบัติแล้วสั่งสอนตั่างเช่นอย่างท่านอาจารยนเที่ยว์เดียวชื่อเสียงและสามารถที่จะทํากิจแจ้คนให้มีความเจริญรุ่งเรืองชลใจในธรรมและสลับเป็นสลับตาได้จํานวนมากเท่าไหร่ไม่ว่าสังพระทางเดนไม่ว่าคารวะหรือเปล่าเทียงองคเดียวท่านเอายุคประย่านนี้ ท่านสามารถทำอยูาาาาาาไไ่ได้มากถ้าโบดหลังไห น, น, นมีความสามารถทา่านสามารถมีไหมเราไม่ได้ประมาณว่าโบดนี่มันมีความสําคันธ์แสถานที่มีความสําพันธเราโยคะให้แต่สถานที่ไม่ควรไม่ควรจะมาทํำลายเราไม่ให้ทำลายตั้งแต่มหาสมุทรที่มีเกาะอยู่ข้างี่ยังเป็นทะเลขี่ทะเลเยี่ยมด้วยกันหดเลยการสอนทระเทนเทการทระเนรน้นปฏิบัติเป็นตาม อภิยะชายจะขอด้วยความสะดวกสบายมีหลังเกราะห์ทางดานจิตใจแล้วทารสอนคนได้มากเที่ยงองเดียวท่านั้นจะได้มากขนาดไหนเรพูดทีไม่ต้องพูดถึงไหนองแล้วพูดถึงดงบทว่ามีบทหลังไหนมีความสามารถของคนอ่านนั้นเก็พูดถึงเรื่องฐาธจิธนกรมและบทําเป็นยังไงไม่จำเป็นยังไงเกี่ยวกับธนัมอธิบายให้ฟังหมดเลย ทากรรมทำที่ไหนก็ได้ที่มาเป็นแผ่นดินนี้ับตาพุทกําหลักโอเดียนกินแล้วนะที่มาทั้งหมดนี่สามารถทาทางกรรมได้ทุกประเทศนะอันนี้เป็นความนิยมต่างหากที่ที่มานั่งควรจะอุทิศหมดอยงนั้นอย่างนี้นี่แหละมาเป็นความนิยมน่างหากหลักยิงของพระบาลีกินที่มาทั้งหมดนี้มีอุปสมบททางกรรมทั้งหมอกันหมดเราเห็นแด้ในโอเียน นนี่นเมื่อโรคารมณก็ความมั่นใจก็ไปอย่างนั้นเราขรพีนาดูไม่ไม่เห็เสียหายอารมการเช่นนั่งตั้งบูชายาบูชายาที่ไม่ได้ตั้งบวชไม่ได้้าเราจะตาหลักเฮ้ยนายไปแถ่ปังเดียวว่าใครมาค้าขาติดกางเราจะาติดพระโพเก้ า, ท, าท่านาย่างไราหลัหลกเฮ้นายบกติการหล่านี้มาตั้งทีหลังมาทาลายทำยังไงได้ następ? เราม่บวชเพื no ่อความโลภอะไรอะไรนี้ยเราบวชคุณลุงบุตรคายชายหลังเด้วยศรัทธาเขาด้วยความเจตนาบริสุทธิ์ของเรามีคิดตรงไหนก็ยี่นี่ถ้าเรจะเอานะเอาเขาจะมาจับเราศึกเอาสึกเองนานนะคุณนี่นะนะถ้าเป็นยันกันนะแต่นี้ทำไมเรารนี่ยการที่ทำในนั้นท่านก็ทํำถูกต้องดีแล้วเราไม่ขานเราก็ไม่บวชเราปฏิบัติตามเพราะไม่ใช่เป็นการทำลายเป็นการทําความมั่นคง ให้มีเสียมีแดนเพราสมัยทุกวันนี้พรานเนเราบวชมาแทนที่มาสากสารพิเันกลายมาสั่งสมีิเศษระมโมกรวมมากใครย่แถราบอำนาจบวชไหนบวชไปทุกแห่งทุกหนแล้วก็มีเสียมีแด่นบวชที่นั่นที่ควาสมสงบสุขของสองรวมของพระเราก็เห็นด้วยบูชาปอมกระทำมีทให้ทาปดเสธไว้อย่างนั้นแต่ก็จะมาดึงกันให้จริง น, น, นั่นเลยนะ เราสู้ได้เราสู้เลยได้ไม่ได้รเราจตางสู้เราเราทำยังไงเพราะเพราะพูดแล่ในกฎขติกาสถูกกฎได้ขติการใดก็ตามต้องไม่ทําลายทํานี้น่ไถ้ากดได้อะไรเป็นการทำลายทําไหนงเราอันนั้นไม่ถูกต้องไม่ได้เนาะอันนี้ถึงขนาดจะลบล้างหมดอันนี้ไม่ได้อเราออกท่องรู้เราไม่ได้บวดหาอะไร แลวาววดได้ปุถิดชาวตามหลัหกฮีนัยปุถิดาเ <สา S 1> น, นี่นหละจิตเป็นต่อเรื่อางสามารถอวดๆได้ไ น, นี่ยังเราเป็นอะไรไปเราก็ต้องพูดแบบนี้แล้วอันนี้นะตัวยมีแต่สัมผัสนี่คือพูดจาไม่ตั้งใจจะไปทำลายสมถะส่วนร ว, วไมไี่เสียหายนี่จะมาตั้งบูชาก็ให้เราเราไม่ออกดีกว่านัตั้งที่เ็จะมาตั้งเคยมี ทาเยอวันการผู้ใหา่อเอ้ยยังไม่จุ้งนะไม่เอาถึงถึงนั้น ม, มันจุ่งขอเราตั้งมาางนานนะอย่าตั้งไป็นัาตั้งไป็นรเ็จนะถ้าหลงว่าไม่เอาเราตั้งส ก, กี่ร้อยครั้งก็ไม่สาเร็จก็บอกนี่เพอเมืองมาตั้งผมเป็นนั้นเ น, เนสลาดกุบถ้าลงว่ า, ไ, าไ ม, ามตังง้งนั้นนี่นะเหตผลองการไม้ตั้งราคิดไว้ขนาดนั้นเอง งานาแจาแจงนะฮะขนาดปีมันเหลืออะไรกัอนอแหลกแต่มันมีอะไรจะหลอกใชอื้งบุญมว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่มาทางาน ไ, น, น, นไม่ตะเปรดแต่ผีเท่านั้นทำได้แค่สีส่ภาษาแ่ละคําว่าหนึ่งกับแล้วเอาพยายามมาเก็ามาทำลายวัดศ่สนาใ้หมนั่นผิดยันไงเพราะอาศาัยบวญหลังหนึ่งเท่านั้น ทำให้หัวใจของตาของนงตลอดถึงวาราว่าถ้าลงร่มจงไปได้มีอย่างหลยอว่าการลเหตุผลงเราที่งไงมกลับคุณมีการก็แปดพนเรื่องนะขอสร้างมติเพื่ขอเปลี่ยแปลงแก้ไขอะไน้ไม่ให้พอหรือเป่านุญาตอะไรก็ตามต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เหตุผลของเราที่จะมาเต้มถุงหรเอยั น้ท่านปัญญามีกูไหนที่จะพับปูนหรือพวกนนต่างกูแกน่าจะเป็นเลขทั้